การจัดงานหลวงปูนี <c oughs> ่เป็นโอกาสให้พวกเข้าที่เป็นศิษยานุศิษย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปูเนี่ยยังฮักยังเข้าลบเรื่มใส่คนอยู่ในได้มีโอกาสในมสแมาแสดงจึงคว่ำเข้าลบเพินปีนึงก็มาเข้าลบจักเกอร์หนึ่งซักขันพูดพได้พอค่อยได้คืดหอดเพิ่นกระจายสีห น, นึ่งก็มาหอดย่ามหนีก่อน มาคุดเพลินคุดทอดเพลินมากราบมาไหว้เพลินลำลึกถึงเพลินนี่อันใดเป็นบุญเป็นผู้สนจะมาเฮ็ดเซงนเซ็นให้ท่าลังค์้นจะตั้งโลงท่านเช่นกันท่านเกิดค่วมเบิกบานเกิดค่วมปราพื้นยินดีภาคคู่ใจแล้วนั่นแหละนั่นแหละเป็นบุญอุทิศให้เพลินคุดวานีเดอร์เป็นเครื่องบูชาหลวงปู่ไว้อย่างสี่งนอกจากนั้นหลักละสาชีนอีก ไกเมือ่อยไก่เว้นลงปูงมาหรอรักษาทีไหนมันเข็งเขา ก, าขา ก, าขากา็กเข้าขักพวกเข้าสลับแทบุญผู้ชนข่วมเบิกบานไม่ใจน่ะนะครัเพิ่นอีกไปบูชาเพิ่นแล้วที่สําคัญมันภาวานาไอ้พระขันภาวนาไอด้ดียิตใจสงบเปน็นภาวนาเป็นบุญเป็นผู้ชนใหญ่นี่แหละแบงไปเพิน่นเยอไปบูชาเพิ่นการที่เข้ามาซอยงานนี่ก็เป็นบุญเอาใจเมื่อซอยเอาแห้งกายเมื่อซอย ที่งหลักเกิดบุญเกิดเปิกบานเกิดข่วงยินดีให้เขาเดชซอยเดชจัดกิจกรรมเดชทำกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมเป็นเครื่องบูชาหลวงปู่ย่างสี่หล่ะอันนี้เป็นแสดงถึงค่วมเป็นข้นดีของเขาเดชขนดีในเขาหูจักบุญจักข่วงข้นแล้วก็ตอบแท่นกันเด้เนี่ยเป็นโอกาสให้เขาเดชมาทํำบุญร่วมกันเป็นโอกาสให้ลูกฟิตลูกฮนาะ ได้มาร่วมกันได้มาพบกันพอกันได้พูดได้คุยได้เบาได้จ้ากันนักภาวนานต่ า, ตางพ้นทางแยกกันไปแล้วพ่อแม่ตายไปแล้วลูกเต่าแยกไปโดนๆมาพอกันกันได้คุยกันเจ้าเป็นบเรื่องไรภาวนาเป็นเังไรแนี้ยข้าอันไดติดอันไดบรรลุอันไ ด, นนไดสําเร็จอันไรประเด็นมาคุยกันดอกจะเกิดกําลัางใจไม่ใช่หรอ เกิดควบใช้มาขี้ค่ะเนี่ยเกิดควบใช้มาขี้ทําให้คณะของเฮ้าคณะวัดวิมมะเต้นมันบวมเร็วมันบวบหูเร็วมันบวบอกมันบวมเยื่อยเร็วมีคณะมาคุ้ยกันมาปอกันค่ะอันใดเฮ้าทําพิดอันใดเฮ้าถําสื่อเฮ้ากระตักกระเทือนกันมาเห็นมูเห็นพวกต่อพืชปฏิบัติทังสั่นทังซี่เอเฮ้ามาเฉยเอยขี้หลาลงแล้วแต่เข้งขึน มีโอกาสที่เกี่ยวของสีดีง อ, อนโอกาสวันล้ำลึกถึงหลวงปู่นี่มีประโยชน์จริงๆแหละแล้วลกับนี้นักภาวานานี่ต้องคุดจริง่เด้คุออดว่าัวหลวงปู่นี่จะกี่คนไปยืนน้าเห่านี่แหละจนมีข้อมหักข้อมเข้าลบขึ้นเป็นยางใส่ยางไม้ยางรับบินทบาทยางออกมาเทศยางออกมาโพรดมาเบิ้งมาเบามาจ่าต้องเข้านี่แหละแต่ถึงวารณาภาพผ่านไปแล้วเนี่ย มีผ่านมาสั่งซิทสองปีแล้วฮนี่ข้าวเดียวนี่หลวงปู่เมลานาผาปั่นไปแล้วสิบสองปีแล้วเนี่ยใคิดเบืองลึว่ามันบอได้ยิ่งหอย่งเวลาข้าวเดียวหอดแล้วข้าวเดียวหอดแล้วมันเท่าเพชรเียงแน่เนี่ยไมเทาเพชรเพชรระเบ้อเพชรไร้ระบบุญเี่ย การซ่อมมันก็คัดวลาเอ้ามันบริเฮต่บบุญบปหนึ่บาปไปเฮตจังวลาลาัยบาปนั่นกั บ, บปเปเฮตน้องเขาอันนีก้ก็เฮตน้องเขาความบริบริชุดสะอาดหมดจดขอ ง, องนนเขา้าอันเท้าเดมากควอดมือลงปูแล้วคืดว่าปเป็นเป็นผู้บริชุดบัดเข้าเด้เฮตคู่ค้อมเป็นวาบบริสุ์คือเป็นวาบเท้ากือตเลยข้งเจาะของขึ้นอย่แล้วยูโดนไปแห่งคูบาอาจารย์บระยุนนี่ดนไปโดนไปมันย่านเนี่ย ยอนย่านผู้รักษาธรรมดีได้ใใเพงพระเจ้าพระสงฆ์กุบาจาัง ก, ก็ยอนกะย่านเมือันใดที่นมร้หลวงปู่บวชผ้าเฮ็ดกะเฮ็ดอันใดมันดีคนผ้าเฮ็ดท่าถ้ำกล่ว่ามันดีค อ, อยเคลือลงเคลือลงบเหตุต่ำคือเพยงนให้สนใจไหวพระสวดมนต์ทำาบัดเศร้าท่าบัดแร้งยังทีละยางจงกรมยังทีละนางวนาวาน่ายังทีละ ขันยามพนอย่หนุนพล้พาเฮ็ดเป็นเด้งเป็นลูมานางเป็นมูเฮ็ดกับป้อได้มารุ่นลุ่นมาตอนอายุหลายแล้วลงมานางไบร์เป็นกับพวนาเป็นกันวายพระทบัดเต่าทำบัดแรงขึ้มือเ่าเท่าท น, น่ะลูกปูนขันไทย เ, ยเคยเห็นเคยเด็นปณิบัติลูกปูเห็นว่าทำบัดเต่าทำบัดแรงบ่เคยขาดจักมือลงูงปูนเป็นกับา้ายเฮ็ดอยู่น่ย ไอ้ขีเ่เท่ากับเฮ็ดด้ว่ประเดี๋ยวนี้เฮ็ดบ่ลโอ้ยขี่ลายแล้วปู่เนี่ยเดืยดอยแล้วซักย่านยอนย่านลายแล่เท่งก็ฟ้องขึ้นเนี่ยขันพ่ออากดีกันนี้จ้ันอยากดีเดียวเท่งกัฟ้องขึ้นเมื่อคิได้โอกาสดีดีสาคัญทีสุดสุดที่ไมาา่ใช่ขี้นี่ยจิตใจข้าเบิด้านนั่นเทากับจิตบาโอ้กลับมาบาั่นพอบั่นเม่เฮ้าเนาะ พืชเองสี่มันกเกิใจเบิกใจบานแบบน้นแล้วครูจังลองฟูนี่เพิ่นเป็นคนดีถึงข้ น, นดีเข้าคือทอดข้นดีใจเท้ากับ น, น้อมลงไปเพื่อข้อมดีโลเดชเพิยังสันดเดเทาที อ, อยูไปเหนื่อยย่อนเทาที่ประพฤติปฏิบัติเอาดีใช้คิดใช้ใจนี่แหะมือนี้เนี่ยเขาสิประชุมนะบ่ายสามโมงเพิ่น กระชุ่มแบงเบียกแรงงานกันสิดตั้งล่งท่านยังไดเอาเศนมาใช้เนี่ยสิละ่ะถึงมากระชุ่มน้ำเขากระชุ่มน้ำกันกด้วยพอที่มากระชุมได้งานมีให้ซื้อว่าเป็นงานเก็บของมันเป็นโอกาสที่เขาจิตได้บุญแล้วติตักงิดส้วงเอาบุญสามารถเอาย่ามนี่ละผ่านผูมิภาคบุญคิดว่าโอ้ยไปสรอยเพิ่นไปซรอยเพิ่อนอย่าคุดยังสั่นเท่านั้นแหล ซอยงานแมนรู้แจ่วว่าเอาอินดีแมนเท่าเฮ็ดเอาบุญเท่าอันเด้คนจัดคนเปิดโอกาสให้เฮ็ดเอาบุญได้ห้อฝ้าเฮ็ดเอาเด้ตังคนตังเฮ็ดเอาคำพุทตลาดคำพุธตลาดแล้วหาแตว่าไปเฮ็ดไปซอยงานคนไปซอยงานคนน่าจะดีดอกเหมันเห็นดีบ่หลายอันพิให้มันดีนะมันจิเฮ็ดเอาบุญเจ้าของใจใจเจ้าของหนักทั้งคือ